วันนี้เป็นวันพระเป็นวันแรมแปดค่ำวันพระนี้จะตรงกับวันแรมวันขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำขึ้นแปดค่ำคำว่าแรมก็คือวันที่นับหลังจากที่พระจันทร์เต็มดวงพอพระจันทร์เต็มดวงวันต่อมาแล้วก็เรียกว่าวันแรมคือพระจันทร์จะ ลดลงแลมหนึง่งคัมสองคัมแปดคัมก็เหลือครึ่งตอนนี้พระจันทร์เหลือครึ่งดวงแล้วถ้านับต่อไปอีกเจ็ดวันก็จะถึงแรมสิบห้าคัมหรือแรมสิบสี่คัมเป็นวันที่พระจันทร์จะดับนะวันแรมสิบสี่คัมหรือแลมสิบห้าคัมก็เป็นวันดับของพระจันทร์ แล้วหลังจากวันดับพระจันทร์เราก็รับขึ้นเป็นวันขึ้นของพระจันทร์วันขึ้นของแสงของพระจันทร์ขึ้นหนึ่งค่ำสองค่าพอถึงแปดค่าขึ้นแปดค่าก็เป็นวันพระอีกวันหนึ่งแล้วนับต่อไปถึงสิบห้าค่ำก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนี่คือการนับเวลาในสมัยพุทธกาล เราใช้ดวงจันทร์เป็นเครื่องนับวันเวลาพระพุทธเจ้าก็ให้แบ่งไว้เป็นสี่ช่วงช่วงวันแรมแปดค่ำวันขึ้นแปดค่ำแล้วก็วันแรมเจ็ดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันแรมสิบห้าค่ำให้เป็นถือเป็นวันพระ สมัยก่อนสมัยโบราณจะหยุดทำงานในวันพระกันวันขึ้นสิบห้าคำวันแรมสิบห้าคำวันขึ้นแปดค่ำวันแรมแปดค่าจะเป็นวันหยุดทำงานเป็นวันที่จะได้เข้าวัดกันนะการเข้าวัดนี้เป็นการเติมบุญ ให้แก่จิตใจบุญนี้เป็นเหมือนกับน้ำมันของรถยนต์รถยนต์ที่เราขับนี้เราต้องแวะจอดตามสถานีบริการอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่จอดแวะเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำมันชนิดต่างๆนอกจากน้ำมันที่ขับเคลื่อนรถยนต์แล้วยังมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันแอ น้ำยาแอและยังต้องมีการเติมลมเติมลมให้กับยางรถยนต์ถ้าไม่จอดว่าเติมสิ่งเหล่านี้รถยนต์ก็อาจจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้พอน้ำมันหมดเนี่ยรถจะมีราคากี่แสนกี่ล้านก็เป็นเหมือนเศษเล็กไปจอดอยู่ข้างถนน วิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้จึงต้องมีการจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆคนใช้รถยนต์ก็ต้องคอยดูมาตวัดอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้ขาดอะไรบ้างขาดน้ำมันขาดน้ำขาดน้ำมันเครื่องขาดอะไรต่างๆขาดนมยางแบรนด์ก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ จึงจะสามารถทำให้รถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนตามความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ได้จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่ที่พวกเราอยากจะไปกันเพาะเราอยากจะไปที่ที่มีแต่ความสุขอยากจะหนีจากที่ที่มันมีแต่ความทุกข์ทุกวันนี้เรา ที่เราทํากันนี่ก็ทําเพื่อสองอย่างนี้เองกําจัดทุกบํารุงสุขะบําบัดทุกบํารุงสุขอมีความทุกมาเราก็คอยกําจัดมันไม่มีความสุขเราก็คอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแต่วิธีบําบัดทุกอบํำรงสุขของพวกเรานี้มักจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการกันะ มักจะกลายเป็นบำบัดสุขบำรงทุกข์เสียมากกว่าชีวิตของพวกเราจึงมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันไม่รู้จักจบจากสิน้นทั้งๆ ท, ที่เราพยายามที่จะกำจัดมันอยู่เรื่อยๆความสุขพวกเราก็พยายามหามาเติมอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ไม่สุขนานสักทีสุขเดียววเดียเด๋ยวก็หายไป ความทุกข์ที่บำบัดได้เดี๋ยวเดียวก็กลับมาใหม่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องนี้ต้องเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสั้เอู้รู้วิธีบำบัดทุกข์บำลุงสุขที่แท้จริงทุกข์ที่บำบัดแล้วจะหายไปจะไม่กลับมาสุขที่บำลุงแล้วจะไม่หายไป จะอยู่ต่อไปในใจของพวกเราพวกเราจึงต้องเข้าวัดกันเพราะวัดนี้เป็นเหมือนสถานีบริการของรถยนต์ของจิตใจจิตใจก็ต้องเหมือนรถยนต์ต้องคอยเข้าเติมน้ํามันเติมลมเติมน้ําชนิดต่างๆให้แก่จิตใจจิตใจถึงจะมีพลัง มีกำลังที่จะบำบัดทุกข์บำุงสุขนั่นเองจิตใจจะมีน้ํามันที่จะพาจิตใจให้ไปสู่ที่มีแต่ความสุขปราศ จ, จากความทุกข์จิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายของพวกเราตายไปจิตใจของพวกเราไปต่อ ไปที่สูงไปที่มีความสุขมากขึ้นหรือไปที่ต่าที่มีความทุกข์มากขึ้นก็อยู่ที่ว่าเราได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าเราหมั่นเข้าวัดหมั่นเติมน้ํหมันเหมือนปฏิบัติตามคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะ ไปที่สูงวพาเหมือนกับรถยนต์ที่มีน้ำมันมีลมมีน้ำต่างๆทำให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนไปสู่ที่สูงเช่นปีนเขาขึ้นเขาได้ถ้ารถยนต์ขาดน้ำมันขาดลมขาดน้ำนี่ขับรถขึ้นที่สูงอาจจะขึ้นไม่ไหวไม่มีกำลัง มีแต่จะไหลลงสู่ที่ต่าอันนี่คือเรื่องของน้ํามันของใจพลังของใจพลังของใจที่พระเจ้าเจ้าให้เราคอยมาเติมกันนี่มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่าบุญสิบชนิดบุญนี้คือน้ํามันต่างๆของใจบุญคือน้ำบุญคือลม ที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีพลังที่จะคอยบำบัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้มันดับไปให้มันหมดไปและบำบุงความสุขที่ไม่มีในใจให้มีขึ้นมาได้อยู่กับใจไปอย่างถาวรต่อไปต้องมีการเติมบุญสิบชนิดด้วยกัน วันพระจึงเป็นเหมือนวันที่เราจอดแวะที่สถานีบริการที่สถานีบริการของใจก็คือวัดนี้เองวัดนี้เป็นที่ที่เราจะได้มาเติมน้ํามันเติมลมเติมน้ําอะไรต่างๆให้กับใจคือเติมบุญสิบชนิดด้วยกันบุญสิบชนิดนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบ บุญกิริยาวัตถุสิบมีสิบชนิดด้วยกันคือหนึ่งบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการให้ให้ข้าวของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานให้ธรรมะคาสั่งคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ก็เรียกว่าให้ธรรมทานนี่คือพอให้แล้วก็จะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาอย่างวันนี้ญาติโยมมาให้ข้าวของเงินทองกับวัดกับพระญาติโยมก็ได้ทาวัตถุทานขึ้นมาบางท่านก็พิมพ์หนังสือธรรมะ มาให้แจกกันนะก็ให้ธรรมทานนะนะนี่คือบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานนะพอทำให้แล้วก็เกิดบุญขึ้นมาเราจึงมักจะพูดกันอยู่เรื่อยๆว่าทำบุญทำทานนะความจริงทำทานเพื่อให้เกิดบุญนะทำบุญด้วยการทำทานนะความหมายเป็นอย่างนั้นบุญเป็นผลทานเป็นเหตุนะ ถ้าไม่ให้วัตถุทานไม่ให้วิทยาทานไม่ให้ธรรมทานบุญคือความสุขใจไม่เกิดขึ้นมาที่ใจแต่พอให้ปั๊บเนี่ยจะรู้สึกสุขใจสบายใจขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะเห็นผลทันตาต้องไปให้กับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วเราช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขา เห็นรอ ย, ยิ้มของเขาโผล่ ข, ขึ้นมาจากหน้าตาที่ขําแข้งเศร้าหมองพอเขาได้รับความช่วยเหลือจากเราเขามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอันนี้มันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากนี่แหละคือบุญความสุขที่ได้จากการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้วิทยาทานให้อย่างไรก็ให้ทุนการศึกษานี่เองเด็กที่ไม่มีปัญญาไม่มีเงินที่จะจ่ายข้าวเล่าเรียนแต่อยากเรียนหนังสือพอเขาได้รับการจ่ายค่าเล่าเรียนให้เขาได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือ เขาก็ดีอกดีใจขึ้นมาะเห็นหน้าตาเขาที่เศร้าหมองกลับกลายเป็นหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมานี่ก็คือวิทยาทานะที่บางท่านกําลังทํากันอยู่ช่วยเหลือเด็กยากจนเด็กที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนก็เป็นผู้อุปถัมภ์จ่ายค่าเล่าเรียนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้ นอกจากค่าเราเรียนแล้วก็จ่ายค่าเสื้อผ้าค่าขนมค่าอาหารกลางวันค่ารถไปโรงเรียนของเหล่านี้ถือว่าอยู่ในการให้วิทยาทานก็ได้หรือจะถือว่าเป็นการให้วัตถุทานควบคู่กับการให้วิทยาทานก็ได้จ่ายค่าเราเรียนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ความรู้ก็เรียกวิทยาทาน จ่ายค่าอาหารกลางวันก็ได้วัตถุทานเหมือนใส่บาตรพระใส่บาตรพระทุกวันพระก็เป็นเหมือนนักเรียนเหมือนกันพระที่มาบวชนี้ก็เพื่อ ม, มาบวชเรียนบวชเรียนพระก็ไม่มีค่าอาหารกลางวันค่าอาหารเช้าก็อาศัยการบินทบาทเนี่ยญาติโยมก็เป็นผู้ให้อาหารเช้าอาหารกลางวันก่พระเนกัน นักศึกษาธรรมะนี่คือตัวอย่างของทานคือการให้ให้แล้วจะเกิดมีความสุขใจอิ่มใจความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจจะหายไปความสุขใจจะโผล่ขึ้นมาแทนที่อันนี้เป็นบุญข้อที่หนึ่งบุญข้อที่สองคือ ศีลศีลคือการไม่กระทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุกอื่นๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตะกลางวันความเกลียดค้านคบคนชอบอบายามุกเป็นมิตร การกระทาเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองถ้าเราลักษาศีลได้เราก็จะบำบัดความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปความทุกข์ที่เกิดจากการ เ, าเสพอบายามุขเป็นการกระทาที่ไม่ดีไม่ควรจะทำเพราะเหมือนเอาไฟเข้ามาเผาบ้านเรา ไม่มีใครอยากจะให้ไม่มีใครอยากจะให้ไฟไหม้บ้านของตนเองฉันใดบาปคือการกระทำผิดศีลนี่ก็เป็นเหมือนการจุดไฟเผาใจเราเองทำบาปแล้วใจจะร้อนขึ้นมาใจจะไม่สบายใจจะทุกข์ไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาโกหกแม่นี่แม่ถามอะไรแล้วโกหกนี่ รู้สึกสบายใจไหมก่อนโกหกกับหลังโกหกนี่ตอนไหนดูใจว่าเป็นอย่างไรพอโกหกไปแล้วใจจะไม่สบายไม่สบายเพราะอะไรกลัวเขาจะรู้ว่าเราโกหกลกลัวจะถูกจับได้ขโมยเงินของคนอื่นแล้วสบายใจไหมขโมยเงินแล้วทีนี้ก็กลัวแล้วสิกลัวจะถูกจับ ก็จะถูกไปติดคุกติดตารอ่านี่คือตัวอย่างของการทำบาปทำแล้วจะทำให้ใจร้อนใจไม่สบายใจทุกขึ้นมาวิธีบาบัดความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปก็คืออย่าทำบาปนั่นเองไม่ทำบาปะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงละเว้นจากการเดินเซลาและอบายมุกเพราะว่าอบายามุกนี้จะเป็นตัวที่จะกดดันให้เราไปทำบาป ก, กันเพราะอะไรเพราะอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย มีแต่เสียเงินเสียทองไม่มีรายรับเข้ามาพอใช้เงินไปกับอบายามุขเรื่อยๆเดี๋ยวเงินทองก็จะหมดพอหมดก็จะต้องไปหาเงินโดยวิธีช่อโกงนั่นเองเพราะคนที่ชอบอบายามุขนี้จะขี้เกียจจะไม่ไปทำงานหาเงินหาทองจะเอาแต่เที่ยวจะเล่นเล่นการพ น, นันทเที่ยวเต เดินโรายาเมาเกียรติ้านพอไม่มีเงินใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทุจริตนั่นเองแต่ถ้าไม่เสพใบายามุกไปทำงานทำการขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองก็จะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปแต่อย่างใด นี่คือข้อที่สองของบุญที่เราควรจะมาเติมกันคือมาเติมศีลห้ากั น, นตอนนี้เรารักษาศีลกันได้กี่ข้อถ้ารักษาได้ไม่ได้สักข้อก็ต้องมาหัดเริ่มเอาสักข้อหนึ่งก่อนก็ยังดีถ้าเอาห้าข้อไม่ไหวมันมากเกินกำลังก็เอาข้อหนึ่งก่อนห้าข้อนี้ข้อไหนง่ายที่สุด ้าดื่มโุลานี่น่าจะง่ายอย่าดื่มสุราปิดปากนั่นอย่างมันไม่เอาเปิดปากสุรามันก็เข้าปากเราไม่ได้ไม่หยิบขวดหยิบแก้วขึ้นมามันก็เข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ง่ายที่สุดคือละเว้นการดื่มสราเพราะการดื่มสุรานี้จะเป็นเหตุทำให้เราไปทำบาปได้ง่าย เวลาดื่มสุดาแล้วเมาจะไม่มีสติหรือมีสติน้อยสตินี้เป็นเหมือนเบรกเบรกของใจเวลาใจคิดจะไปพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีเวลาที่เราไม่ดื่มสุดาเรามักจะหยุดมันได้เวลาเราโกรธใครบางทีคิดยั่อยากจะทุบมันนั่นตีมันนั่นหน่อยแต่พอได้สติว่าทุบตีแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาตีเรา อย่าไปตีมันดีกว่าก็หยุดได้แต่ถ้าเวลาเมาสุรานี้มันไม่หยุดนะเวลามินคิดอยากจะพูดคำหยาบก็พูดคำหยาบออกมาเวลานึกอยากจะทุบตีทำร้ายเข้าของทรัพย์สินอะไรมันก็จะทำทันทีเนะพราะไม่มีสติคอยยับยั้งใจนะนี่คือข้อที่หนึ่งนะบาปมีห้าข้อ ความยากง่ายมันก็มีต่างกันไปข้อที่ห้านี้ง่ายที่สุดในการที่จะละละที่จะเลิกถ้าเราละข้อที่ห้าได้ข้ออื่นก็จะง่ายขึ้นเพราะจะมีสติคอยยับยัง้งถ้าข้อห้านี้เราหยุดไม่ได้นี่เดี๋ยวบาปข้ออื่นมันก็จะทำได้อย่างง่ายได้เพรอมขาดสติ ที่จะมาคอยควบคุมยับยั้งความคิดยับยั้งการกระทําการพูดที่ไม่ดีนั่นเองงั้นในบรรดาศี่ห้าข้อนี้ถ้าจะเลือกว่าควรจะเอาข้อไหนก่อนก็เอาข้อสุราก่อนอย่าดื่มสุราแล้วเราก็จะมีสติเหมือนตอนนี้ตอนนี้เรามีสติเราไม่พูดอะไรเราไม่ทําอะไรได้ แต่ถ้ามึนเมานี่บางทีเดี๋ยวนึกอยากจะพูดอะไรก็ตะกอนวกเวกขึ้นมานึกอยากจะทำอะไรก็เดินสเปะสะปะไปเพราะไม่มีสติคอยยับยั้งการพูดการกระทาที่ไม่น่าดูการพูดการกระทาที่ทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นทำไปแล้วเดี๋ยวก็ถูกเขาจัดการต่อไป ถูกจับไปขังในคุกในตารางขังในกรงเพราะถ้าปล่อยออกมาเพ่นพ่านก็ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองวันนี้วันพระลองมาหัดรักษาศีลกันถ้าไม่เคยรักษาศีลกันเลยวันนี้ลองมารักษาดูเอาแบบจริงจงจังๆไม่ใช่เอาแบบเน้นๆ เหมือนกับบางคนเวลามาวัดก็มารับศีลกันพอออกจากวัดก็เอาศีลไว้ที่หน้าประตูวัดไม่เอากลับบ้านไปด้วย <c oughs> รับศีลี่้วพอเป็นพิธีก็เรียกวัดรับศีลเป็นพิธีเห็นไหเวลามาถวายสังฆ ท, ทานเวลามาทาบุญต่างๆนี่พระจะให้ศีลก่อนนะก็รับกันสาธุกันแต่พอ ออกจากวัดก็วางไว้วางไว้ที่ข้างประตูวัดกลับไปก็เดินสุราต่อเอไปฉลองกันไปกินดื่มอะไรกันเออม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็โกหกบ้างพูดปดบ้างเดี๋ยวก็เขานักขโมยหยิบของคนอื่นมาบ้างนะอันนี้ขอให้เราลองมารักษากันจริงๆสักวันหนึ่งเดี๋ยววันนี้วันพระ ลองเลือกเอาถ้าได้ห้าข้อเลยก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เลือกเอาข้อที่ง่ายก่อนอสําหรับเราข้อไหนง่ายก็เอาข้อนั้นข้อเดิมสลาง่ายก็เอาเดิมสลาก่อนเราจะรู้ว่าเรารักษาได้ไม่ได้ก็ตอนที่มีเพื่อนมาชวนน่ะเดี๋ยวเย็นๆเพื่อนมาชวนให้ไปกินเหล้าหน่อยหรือ เ, เพื่อนเอาเหล้ามาถึงบ้านเลย่ะมาชวนเดิม ทนี้ดูว่าจะรักษาศีลหรือรักษารักเพื่อนหรือรักศีลมากกว่ากันบางทีเพื่อนมาเก่งใจเพื่อนชวนไปเพื่อนเหงาเพื่อนอยากจะมีเพื่อนดื่มสุราด้วยสงสารเพื่อนเพื่อนไม่สบายใจคิดว่าดื่มสุราแล้วจะทําให้ความเศร้าใจเสียใจหายไปก็เลยมาชวนให้เราดื่มเป็นเพื่อนถ้าเราไม่ดื่มเราก็จะรู้สึกว่า เสียเพื่อนเพราะเขาจะเสียใจเขาอาจจะโกรธเราเขาอาจจะไม่อยากจะคบกับเราต่อไปนะทีนี้ล่ะเราถึงจะรู้ว่าเรารักษาศีลได้หรือไม่เวลารักษาศีลนี่มันต้องมีข้อสอบถึงจะรู้ว่ารักษาได้หรือไม่อย่างตอนนี้ไม่มีข้อสอบนั่งเฉยๆนี่รักษาได้กันทุกคนแต่พอมีใครเอานาวมาตั้งไว้ บอกแจกะแจกเหล้าชนิดราคาโคตรละสองพันเนี่ยใครอยากได้นไกว่อยากได้เดี๋ยวก็รู้กันบางคนก็อ้างว่าเอาเอาไปแต่ไม่ดื่มเอาไปให้คนอื <c> ่น <oughs> จะไปรู้เหรอเอาไปแล้วดื่มหรือไม่ดื่มถ้าถือสีหน้าก็อย่าไปแตะอย่าไปต้องเหล้า นะถ้าไม่มีของล่อใจเราถึงเราจะไม่รู้ว่าเรารักษาศีลได้หรือไม่รักษาศีลไม่ได้อย่างพูดปดก็เหมือนกันตอนนี้นั่งเฉยๆก็สบายไม่พูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมีคนเขาถามอะไรจี้ใจดำเราหรือถามอะไรเกี่ยวกับความลับของเราที่เราไม่อยากจะเปิดเผยทีนี้ดูซิว่าจะโกหกหรือไม่โกหก การรักษาศีลนี่มันต้องดูตอนที่มีข้อสอบถึงจะรู้ว่ารักษาได้หรือไม่รักษาไม่ได้ตอนที่ไม่มีข้อสอบนี่มันไม่รู้อ่ะเหมือนเด็กเนี่ยถ้าเตรียมตัวอ่านหนังสือกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีก็ตามถ้าไม่เข้าห้องสอบไม่รู้หรอกว่าจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านถึงต้องมีการสอบอยู่เรื่อยๆถ้สอบภูมิรู้ของ ของนักเรียนว่ามีความรู้ความสามารถหรือไม่ต้องมีข้อสอบสอบแล้วก็มาตรวจดูคะแนนก็จะรู้ว่าได้กี่ข้อผ่านกี่ข้ อ, อเนี่ยการรักษาศีนก็เป็นอย่างนี้การรักษาศีนนี้มันจะรู้ว่ารักษาได้หรือไม่ได้ก็ตอนที่มีข้อสอบเข้ามาถึ ง, ถงจะรู้ เกิดไปเห็นใครหน้าตาดีไม่รู้ว่าเป็นแฟนใครเป็นสามีเป็นภรรยาใครจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจแล้วจะเกิดชอบเกิดอยากได้เขามาเป็นแฟนนะจากนั้นถึงจะรู้ว่ารักษาศีลข้อสามได้หรือเปล่าไม่ประพฤติผิดประเวณีพวกที่ไม่รักษาศีลเดี๋ยวก็ไปละไปจีบไปหาวิธี ที่จะเอาเข้ามาเป็นแฟนของเราอนะ่ะอันนี้คือการรักษาศีลห้าข้อด้วยกันถ้าพูดดูตามหลักแล้วข้อห้านี้จะง่ายที่สุดข้อสี่ก็ง่ายต่อมาข้อสี่ก็ง่ายกว่าข้อสามข้อสามก็ง่ายกว่าข้อสองไม่ใช่ง่ายดีกว่าพูดนีงไม่ถูกโทษ โทษที่เกิดขึ้นมันต่างกันโทษที่เดื่มโซลานี้มันน้อยกว่าโทษที่เกิดจากการพูดปดโกหกหลอกลวงโกหกหลอกลวงนี้โทษน้อยกว่าการประพฤติผิดประเวณีการประพฤติผิดประเวณีโทษก็น้อยกว่าการลักทรัพย์การลักทรัพย์โทษก็น้อยกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกฎหมายเ็าก็มีแบ่งไว้แบบนี้ ถ้าค่านี้จ ะ, ะมีโทษแรงกว่ารักทรัพย์นะรักทรัพย์นี้มีโทษแรงกว่าการประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้กฎหมายเขาไม่เอาโทษเรื่องประพฤติผิดประเวณีแล้วเรื่องโกหกเขาก็ไม่เอาโทษถ้าไม่ได้โกหกต่อศาลโกหกต่อเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่จับไปลงโทษนี่คือ การรักษาศีลข้อต่างๆควรจะหัดรักษาให้มันรักษาได้ทุกวันในเบื้องต้นถ้าเรายัางรักษาทุกวันไม่ได้ก็เลือกเอาวันที่เหมาะสมเช่นวันหยุดทางานวันพระวันที่เราไปอยู่วัดก็เลือกเอาได้นะว่าจะเอาข้อไหนแล้วพยายามรักษาเพิ่มขึ้นไป ให้มากขึ้นจนครบทั้งห้าข้ออบายามุกก็เลิกมันทั้งห้าข้อเลิกเดิมสุลาเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวเต่เลิกความเกียจคร้านเลิกคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรทำไมทำไม่ไมให้ครบคนที่ชอบอบายามุกเพราะถ้าคบกับเขาเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปเสพอบายามุกกับเขา คนชอบดื่มสุราก็จะชวนเราไปดื่มสุราคนชอบเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคนชอบเที่ยวก็จะชวนเราเที่ยวคนเกียดค้านก็จะชอบให้เราชวนเราเกียดค้านอย่างนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการคบคนที่ชอบอบายยมุขเราถึงจะละเว้นจากการเสพอบายยมุขได้พอเราไม่เสพอบายยมุข ความกดดันที่จะทำให้เราไปทําบาปมันก็น้อยลงแต่ไม่หมดความเหตนอย่างอื่นที่จะทำให้เราทําบาปยังมีอยู่เช่นความโลภความโกรธนะหรือความเดือดร้อนบางทีเดือดร้อนเพราะว่าตกงานตกการไม่มีเงินทองใช้เงินไม่พอใช้อาจจะต้องไปขโมยข้าวของเงินทอง แต่อันนี้มันไม่ได้เกิดจากกระบายมุกมันเกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงฝันไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าบางทีเราจะต้องตกงานบางทีใช้เงินมากเกินกว่าที่จะมีรายได้มันก็เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปได้งนั้นเราต้องคอยระมัดระวังเหตุอันไหนที่จะทำให้เราไปทำบาปได้ควรจะกำจัดมัน ถ้าใช้เงินมากเกินไรายได้มันก็เงินก็ไม่พอใช้ก็ต้องลดรายจ่ายลงอย่าใช้เงินเกินกว่าที่เราหามาได้นอกจากนั้นเราอย่างต้องใช้ให้มันน้อยกว่าเงินที่เราหามาได้เพื่อเราจะได้มีเงินเก็บไว้บ้างเพราะว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเราจะหาเงินได้แบบนี้ต่อไปเรือยหรือเปล่า วันข้างหน้าเราอาจจะตกงานก็ได้หรือเศรษฐกิจตกต่อร า, ายได้ลดลงแต่รายจ่ายมันไม่ลดตามเศรษฐกิจนะรายจ่ายนี่มันมีแต่จะขึ้นมันไม่ลดนั้นบางทีเราก็ต้องสะสมเงินไว้บ้างเก็บออมเงินไว้เผื่อวันข้างหน้าวันที่เราตกทุกข์ได้ยากลาบาก เราจะได้มีเงินออมนี้มาดูแลเรางั้นอย่าใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ตามความอยากนี้ไม่ดีมันเป็นความสุขประเดียวเดียวแต่มันจะทำให้เราเดือดร้อนต่อไปในภายภาคหน้าได้ถ้าเวลาเราขาดเงินทองขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่ไปใช้กับความสุรุ่ยสุร่าย ซื้อกับความหรูหราซื้อกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเราจะมีเงินก้อนเก็บเอาไว้ไว้สํารองเผื่อวันข้างหน้าหรือถ้าเราฉลาดอาจจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนต่อก็ได้เอาไปเพิ่มทุนไปหาไปลงทุนไปอาจจะไปซื้ออะไรมาขายเพื่อที่จะได้มีรายได้เสริมขึ้นมาอีกก็ได้ อันนี้คนฉลาดจะรู้จักหาเงินจะขยันหาเงินจะขี้เกียจใช้เงินจะใช้เท่าที่จำเป็นใช้กับสิ่งจำเป็นเช่นปัจจัยสี่ใช้กับอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่จะไม่ใช้กับของฟุ่มเฟือยไม่ใช้กับอบายามุขต่าง ไม่ไปเที่ยวไม่ไปซื้อสุรามาดื่มไม่ไปเล่นการพนันอันนี้คนจรา จ, จาจะรู้จักวิธีใช้เงินรักษาเงินจะรู้จักวิธีหาเงินจะไม่เดือดร้อนกับการเรื่องเงินทองไม่พอใช้จะไม่ถูกบีบให้ต้องไปทำบาปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง น, นี่คือเรื่องของสี่หน้า นอกจากศีลหน้าแล้วยังมีศีลที่สูงกว่าศีลหน้าอีกมีศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบกว่าข้ออันนี้เป็นศีลของพวกที่อยากที่จะทำบุญที่สูงขึ้นที่มากกว่าบุญที่ได้จากการทำทานบุญที่ได้จากการรักษาศีลคือพวกที่อยากจะทำบุญที่เกิดจากการภาวนา การภาวนานี้เรียกว่าจิตตภาวนาภาวนานี้เรียกว่าพัฒนาจิตตะภาวนาก็เรื่องของการพัฒนาจิตใจนั่นเองจิตใจของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนกับร่างกายตอนที่เราจเจริญเติบโตขึ้นมาร่างกายเราโตขึ้นเราก็พัฒนาร่างกายด้วยการส่งร่างกายไปเรียนหนังสือตามชั้นต่างๆ เรียนเพื่อจะได้วิชาความรู้มาใช้ในการเลี้ยงดูร่างกายนั้นเองเราก็ต้องเข้าชั้นป .1 จบชั้นปก็ขึ้นสู่ชั้นมจบชั้นมก็ขึ้นสู่ชั้นปริญญาต่อไปพอเราได้ปริญญาเราก็มีความรู้มากเราก็หาเงินทองได้มากขึ้นตามลาดับไปจิตใจของเราก็ ต้องการการพัฒนาเหมือนกันต้องการเพิ่มความสุขให้มากขึ้นต้องการลดความทุกข์ให้น้อยลงการทำบุญให้ทานกับการรักษาสีนี้ก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยถ้าอยากจะให้ได้เต็มร้อยอยากจะบำบัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงอยากจะสร้างความสุขให้เต็มเปลี่ยมภายในหัวใจ ก็ต้องมาปฏิบัติจิตตภาวนามาพัฒนาจิตใจนี้เอถึงจะกําจัดความทุกข์ที่ยังเหลือจากการรักษาศีลการรักษาศีลนี้จะกําจัดความทุกข์ได้แต่เฉพาะทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปแต่ทุกข์ที่เกิดจากการกระทําอย่างอื่นยังกําจัดไม่ได้นะต้องอาศัยการรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ด แล้วก็อาศัยการจเจริญภาวนาการภาวนานี้เรียกว่าบุญข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาหัดทำกันทำกันได้ทุกคนเพราะเวลาเริ่มต้นนี้เหมือนเริ่มเรียนใหม่ๆเหมือนเข้าปหนึ่งเหมือนเข้าอนุบาลแต่ถ้าจะ เดินให้สูงๆต่อไปก็จะต้องไปอยู่ระดับของนักบวชระดับของนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่เวลาหัดภาวนาใหม่ๆนี้ก็เป็นเหมือนกับเวลาเข้าโรงเรียนใหม่ๆก็ทุกคนก็เข้าชั้นอนุบาลการหัดภาวนาใหม่ๆก็เหมือนกันก็เหมือนกับอยู่ชั้นอนุบาลเพราะว่าไม่ได้ทํามากเด็กอนุบาล น, นี้ไม่ค่อยได้เรียนกันเล่นกันมากกว่า ครูเป็นโรงเรียนเลี้ยงเด็กมากกว่าเลี้ยงเด็กพ่อแม่ต้องไปทำงานไม่รู้จะเอาเด็กไว้ที่ไหนก็ไปฝากไว้ที่โรงเรียนก็จะให้เด็ก เ, เรียนแบบวิเรียนแบบเล่นให้รู้จักอยู่ร่วมกันให้รู้จักทำกิจกรรมอะไรต่างๆให้รู้จักเข้าแถวให้รู้จักทำอะไรพร้อมๆกันสวดมนต์พร้อมๆกั น, น, น, อ, อ, กนอ่านหนังสือพร้อมๆกันอันนี้เป็นการ ฝึกเด็กไปก่อนคัการภาวนาของผู้เริ่มต้นก็นเหมือนกันก็ไม่ได้ภาวนาแบบนักศึกษาระดับปริญญาก็ภาวนาแบบเด็กอนุบาลคืออาจจะให้ทำกับสิบห้านาทีเริ่มต้นที่สิบห้านาทีก่อนน้องนั่งสมาธิสักสิบห้านาทีดูลมหายใจหรือพุโทโธพุโทโธไปสิบห้า แค่สิบห้านาทีก็จะตายแล้วเนี่ยบางทีอกอกจะแตกตายแล้วให้นั่งเฉยๆดูลมสักสิบห้านาทีสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่อัานยังอาจจะยากอยู่ถ้าสิบห้านาทีไม่ได้ก็เอาสิบนาทีก่อนก็แล้วกันสิบนาทีไม่ได้ก็เอาห้านาทีก่อนต้องฝึกให้ได้ต้องมีการเริ่มต้นถ้ามีการเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวม่มีการพัฒนาไปเอง มีการจระดมมีการเพิ่มได้ถ้าตอนต้นนั่งแล้วยังดูลมไม่ได้อยังพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้เอถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังธรรมไปก่อนก็ได้นี่ก็เป็นวิธีกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบขั้นแรกนี่เราต้องการทําใจให้สงบใจเราไม่เคยค่อยมีความสงบเลยใจเราคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนะ ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่อาจจะหยุดคิดบ้างแต่ถ้าตื่นขึ้นมานี่แทบจะไม่ได้หยุดคิดเลยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็วุ่นวายไปกับความคิดดีใจไปกับความคิดร้องไห้ไปกับความคิดนี่คือปัญหาของชีวิตของพวกเราไม่รู้จักหยุดคิดกันไม่รู้จัก ความสุขที่เกิดจากความหยุดคิดว่ามันวิเศษขนาดไหนมัวแต่ไปคิดหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาให้ความสุขซึ่งเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากการหยุดคิดไม่ได้ถ้าหยุดคิดได้นี่ใจจะมีความสุขมากสุขมากกว่าการได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านได้เงินทองร้อยล้านพันล้านสุขเดี๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วะ ทุกว่าจะต้องดูแลรักษาเงินนี้อย่างไรเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอาไปฝากไว้ที่ไหนดีฝากก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกเขาหลอกหรือเปล่าถูกเขาโกงหรือเปล่าความวุ่นวายใจต่างๆจะตามมานะหลังจากที่ได้เงินร้อยด้านพันดานนะ <c oughs> มันไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจสุขหนอสุขเนาะ ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลเพราะความสุขแบบนี้ไม่มีใครเอาจากเราไปได้ไม่เหมือนความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาเอาเงินร้อยล้านพันล้านเราไปได้เนี่ยความสุขก็หมดไปความทุกข์ระดับร้อยล้านพันล้านก็จะโผล่ขึ้นมาอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ มันล้วนเต็มไปด้วยความทุกข์มันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยเอาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์พ่วงมาดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการฝึกหัดภาวนานี่เองภาวนานี้ขั้นต้นเรียกว่าส ม, มถาภาวนาฝึกจิตทำใจให้สงบด้วยการหยุดความคิดการจะหยุดความคิดได้ก็ต้องเบี่ยงเบนจิตให้ไปทำอย่างอื่นเช่นฟังเทศน์ฟังธรรม ก็จะคิดแต่คิดเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะนี้ฟังคิดแล้วจะทำให้ใจเย็นจะให้สบายและหยุดคิดได้หรือสวดมนต์ก็เหมือนกันถ้าสวดมนต์เองยังไม่ได้ก็ฟังธรรมะไปก่อนเปิดซีดีเปิดเทปฟังไปก่อนฟังนั่งฟังไปแล้วใจก็จะเย็นลงสบายลงความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็จะน้อยลงไป พอหยุดฟังแล้วก็ลองนั่งต่อลองดูลมหายใจต่อดูดูว่าจะดูได้ไหมถ้าไม่หเวลานั่งปุ๊บจะดูลมหรือพุโทโธแล้วรู้สึกเกิดอัดนั่นหน้าอกเจ็บตรงนั่นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็แสดงว่ายังนั่งไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนหรืออาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอย่างตอนนี้เห็นไหม ตามปกติถ้าญาติโยมไม่ได้ฟังทันให้นั่งเฉยๆอย่างนี้นั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องขยับตัวขยับแข้งขยับขาเดี๋ยวก็ต้องพูดคุยกันนี้เกิดธรรมชาติของจิตถ้าไม่มีอะไรให้มันทํามันจะคิดมันจะพูดมันจะทําอะไรของมันเลื่อยเปื่อยแต่พอให้มันมีอะไรทํามันก็เลยหยุดคิดหยุดพูดหยุดทําอะไรได้อย่างตอนนี้พอมีธรรมะให้ฟัง ก็เลยนั่งเฉยๆได้นั่งฟังได้ไม่พูดไม่คุยกันได้ไม่ทํานู่นทํานี่ได้นแต่ถ้าเราหยุดพูดเมื่ อ, อไหร่รับรองได้เดี๋ยวมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมีการพูดจาเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นวิธี แ, กแรกๆของการฝึกทําใจให้สงบนถ้าเรายังไม่สามารถนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธ หรือนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวได้ก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนถ้าเราจำบทสวดมนต์ได้ถ้าจำไม่ได้ก็อาจจะสวดบทสั้นๆเช่นสวดอิติปิโสสวดหลายๆจบสวดไปเรื่อยสวดไปจะรู้สึกว่าใจเบาสบายไม่คิดอะไรนั่งเฉยๆได้ก็ค่อยดูลมต่อ หืบริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อไปแล้วใจก็จะสงบมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะความสงบที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมความสงบที่ได้จากการสวดมนต์นี้มันยังไม่ลึกมากยังไม่สงบมากเท่ากับการเพ่งดูลมหายใจหรือเพ่งอยู่กับ ก, บการบริกรรมพุทธโธพุทธโธมันจะดึงใจให้เข้าสู่สู่ฐานของใจให้เข้าสู่ จุดเลิกที่สุดของใจถ้าเป็นถ้ำก็เข้าไปถึงก้นถ้ำเลยอันนี้ต้องอาศัยการเพ่งดูลมหรือการบริกรรมพุโทโธถ้าเรายังดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังธรรมไปก่อนอันนี้เป็นวิธีการต่างๆในการหัดฝึกสมาธิหัดฝึก สมัติภาวนาสมัติภาวนาแปลว่าการทำใจให้สงบด้วยสติชนิดต่างๆการฟังธรรมก็เป็นสติอย่างหนึง่งการสวดมนต์ก็เป็นสติอย่างหนึง่งการบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นสติอย่างหนึง่งการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นสติอีกอย่างหนึง่งเป็นเครื่องมือที่จะหยุดความคิด ที่จะทําใช่ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่นะมีหลายระดับด้วยกันมีเครื่องมือแบบอยาแบบละเอียดนะเหมือนกับเครื่องมือที่ช่างไม้เขาใช้มีทั้งเลื่อยมีทั้งขวานมีทั้งกบมีทั้งกระดาษจายเพราะการที่จะเอาไม้มาทําอะไรนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง ตอ น, ต, นต้นก็ต้องตัดต้นไม้ก่อนเอาขวานไปตัดต้นไม้เมื่อได้ต้นไม้มาก็มาเลื่อยไม้ออกให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เอามีดมาถากมาแต่งให้เป็นรูปร่างที่ต้องการแล้วก็เอากบมาใส่ให้มันละเอียดให้ผิวมันหายหยาบพอกบเสร็จก็ถึงมาลงด้วยกระดาษทรายอีกทีหนึง่งไม้ถึงจะ เ, เรียบ ไม่มีเสี่ยนตําอันนี้ก็เหมือนการจิตใจของพวกเราตอนต้นที่ยังไม่ได้รับการสึกจิตตภาวานานี้จะเป็นจิตใจที่หยาบที่ควบคุมให้อยู่ในความสงบได้ยากเปรียบเหมือนกับสัตว์ป่าม้าป่าเวลาลคนเขาจะเอาม้าป่ามาฝึกนี้เขาต้องสู้กับมันต้องหาเชือกหาบางเหวี่ยงมามัดมันเอาไว้ คอยควบคุมบังคับให้มันทำตามคำสั่งถ้ามันดื้อก็ไม่ให้มันกินข้าวทรมานมันพอมันเชื่อฟังก็ให้มันกินต่อไปมันก็จะเชื่องจิตใจก็เหมือนกันการที่จะทำให้จิตใจของเราเชื่องจิตใจของเราให้สงบให้มันอยู่ในโอวาทของเรา ให้มันหยุดสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราเราก็ต้องมีการฝึกจิตตภาวนาเราต้องมีเครื่องมือคือสติชนิดต่างๆสติที่เกิดจากการฟังธรรมก็เรียกว่าธรรมานุสติก็ได้สติที่เกิดจากการสวดมนต์ก็เรียกว่า ธรรมานุสติเพราะบทสวดมนต์ก็เป็นคำสั่งคำสอนหรือสติที่เราเลิกถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็เรียกว่าพุทธานุสติบริกรรมพุทธโธพุทธโธสวดอิทธิปิโสก็เป็นพุทธานุสติถ้าดูลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานาสติและก่อนที่เราจะมาฝึกนั่งได้เราควรจะฝึกก่อนที่เราจะมานั่ง คือให้เราหัดคอยควบคุมใจก่อนที่เรามาจะมานั่งสมาธิเจนให้เราใช้คำบริกรรมพุทธโธเวลาที่เราต้องไม่ต้องคิดเรื่องที่จำเป็นอย่าปล่อยให้ใจคิดเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันคิดด้วยเปื่อยเพราะมันมักจะคิดไปสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราหยุดมันด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้านี้กว่า พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแม้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดอย่าให้มันคิดเช่นเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไม่ต้องใช้ความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าให้มันคิดถ้ามันจะคิดก็ให้มันบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปให้มันคิดแต่พุโทโธพุโทโธไป แล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิมันจะนั่งได้ง่ายบางทีไม่ต้องสวดมนต์บางทีไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมถ้ามีสติมีกำลังมากพอนั่งปุ๊บก็ให้มันพุโทโธพุโทโธได้เลยหรือให้มันดูลมหายใจแล้วมันจะไม่รู้สึกอึดอัดมันจะไม่รู้สึกแน่นหน้าอกปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เพราะว่าใจมีสติควบคุมการสร้างความรู้สึกแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเอง เหมือนกับเวลาเราไปถอนฟันนี่ก่อนหมอจะถอนฟันนี้ต้องฉีดยาชาให้ก่อนถ้าไม่ฉีดนี้ถอนไม่ได้ปวดมากเจ็บมากจะดิ้นจะสู้หมอจึงต้องฉีดยาชาก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้ใจสงบได้ไม่ให้รู้สึกอึดอัดไม่ให้รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องฉีดยาชาให้กับใจก่อน ต้องฉีดสติให้กับใจก่อนต้องพุโทโธพุโทโธกันไปไ เ, เรื่อยก่อนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้มันคิดแต่เรื่องจำเป็นเท่านั้นถ้ามีเรื่องจำเป็นต้องคิดก็คิดคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดให้กลับมาพุโทโธต่อ หรือท like right ่านเบื่อกับการพุทโธก็ให้มาเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรก็ได้กำลังเดินก็ให้เฝ้าดูว่าเราเดินอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องเดินเรื่องเดินนั่งก็ให้คิดอยู่กับเรื่องนั่งทำอะไรก็ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่กำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไป ถ้าเราไม่อยากจะบริกรรพุทธทก็ใช้การเฝ้าดูร่างกายแทนก็ได้อย่างนี้แล้วใจของเราจะมีสติเวลามานั่งสมาธิก็เหมือนมียายาชาที่จะทำให้เรารู้สึกนั่งแล้วสบายไม่ทรมานคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิคนที่ไม่เคยฝึกสตินี่พอให้นั่งเฉยเฉยนี่จะเริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมาจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาทันที แต่เวลาให้ดูหนังให้นั่งเล่นไพ่ทั้งคืนนี้ไม่รู้สึกทำไมเพราะมันมีอะไรให้มันทำนั่นเองพอนั่งสมาธิมันไม่รู้จะทำอะไรเลยพอมันนั่งเฉยๆมันไม่มีอะไรทำมันก็เริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแต่ถ้าเราให้มันดูลมได้ให้มันพุโทโธได้มันก็จะหายอึดอัดถ้าเราไม่เคยฝึกพุโทโธมาก่อนไม่เคยฝึกเฝ้าดูร่างกายมาก่อน พอจะให้มันมานั่งดูลมมันก็ดูไม่ได้ให้มันพุทธโทมันก็พุดโทไม่ออกเพราะมันไม่เคยทำนะมันก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เหมือนกับเวลาจะถอนฟันถ้าหมอไม่ฉีดยาชานี่หมอแตะฟันแค่นั้นก็ร้องแล้วยังไม่ทันถอนเลยเพียงแต่ไปแตะฟันที่ปวดเค่นั้นมันก็ร้องขึ้นมา แ, แต่พอหมอฉีดยาชาปั๊บทีนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้ว หมอถอนฟันออกไปเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยว่าถอนเสร็จแล้วอือันนี้ก็เหมือนกันนะก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิแบบนั่งแบบสบายได้ไม่รู้สึกอึอดอัดไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราต้องฉีดสติให้กับใจก่อนฉีดยาชาให้กับใจก่อนสตินี้เป็นเหมือนยาชาฉีดเข้าไปในใจแล้วใจจะเยน็นจะสบาย เวลานั่งก็จะไม่รู้สึกอัดอึดอัดไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ให้พุโทโธก็พุโทโธได้ให้ดูลมหายใจก็ดูได้พอมันดูลมหรือพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะสงบอย่างเต็มที่นี่คือขั้นแรกของการภาวนาต้องการให้ใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนเพื่อที่เราจะได้ เอาความสุขนี้มาแลกกับความสุขแบบเก่าความสุขแบบเก่าที่เราหากันคือความสุขที่ได้จากข้าวของเงินทองความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขปลอมเพราะมันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยเพราะสิ่งที่เราได้มามันอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ะ พอมันจากเราไปเมื่อ น, นั้นความทุกข์ก็จะตามมาทันทีเวลาสูญเสียคนที่เราลักไปสูญเสียสิ่งที่เราลักไปสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปสูญเสียคนที่ให้ความสุขกับเราไปอะไรจะตามมาก็ความทุกข์ตามมานั่นเองตอนนี้เรียกว่าให้ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความสุขแบบเก่านี้มันมีความทุกข์พ่วงมาด้วย ให้เรามาหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนะพอเราได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขแบบใหม่เราก็จะเลิกความสุขแบบเก่าได้เลิกหาความสุขจากคนนั้นคนนี้เลิกหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พราะเรารู้ว่าเขาเป็นเขาไม่แน่นอน เขาอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้พอจากไปเขาก็จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขแบบใหม่เราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะความสุขแบบใหม่นี้จะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือวิธีบาบัดความทุกข์สร้างความสุขที่ถาวรต้องทำด้วยการภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนานเนี่ยคือสอนใจให้เห็น ความเป็นจริงของความสุขแบบเก่าว่ามันเป็นความทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เราจะได้เลิกหาความสุขแบบเก่าแล้วมาหาความสุขแบบใหม่กันต่อไปเราก็จะมีแต่ความสุขแบบใหม่ที่ไม่มีความทุกข์ใจเราก็จะได้ความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจเพราะาจะไม่มีความทุกข์เข้ามาแทรกนั่นเอง ความสุขแบบนี้เราเรียกวันนี้บาณังปรมังสุขขังนั่นเองความสุขของพระนิพพานนิพพานก็คือใจที่สงบตลอดเวลาใจที่ได้กาจัดความอยากได้สิ่งต่างๆให้หมดไปเมื่อใจเป็นอย่างนี้ใจก็ถึงขั้นสูงสุด ข, ของความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมก็จะอยู่เป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ต้องมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขอีกต่อไป นี่คือบุญข้อที่สามคือการภาวนาส่วนบุญข้ออื่นๆนี้ก็เป็นบุญเสริมที่เราทำไปตามโอกาสบุญเสริมข้อที่สี่ก็คือการอุทิศบุญเวลาเราทำบุญแล้วเราอยากจะอุทิศให้คนตายก็แบ่งบุญให้คนตายได้เรียกว่าอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเห็นคนอื่นเขาทำบุญเราก็แสดงความยินดีไปกับการทาบุญของเขา เราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาบางคนไม่ชอบให้คนอื่นทําบุญตัวเองไม่ชอบทาบุญแล้วยังไปขวางคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นก็ทําบุญด้วยพอเพราะงั้นคนอื่นทําบุญใจกับทุกข์ขึ้นมาอันนี้อย่าทําแบบนี้คนอื่นทําบุญคนจะยินดีกับเขาเพราะการทําบุญมีแต่ประโยชน์เหมือนคนขับรถเข้าสู่สถานีบริการเติมน้ามันอย่าไปห้ามเขา เพราะการเติมน้ํามันนี้มันจําเป็นมันมีประโยชน์ไม่มีโทษควรจะดีใจนั่งรถไปกับเขาแล้วเขาบอกขอจอดแวะเติมน้ํามันหน่อยอย่าไปบอกให้ไม่ต้องเติมหรอกเสียเวลาวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวรถน้ํามันก็หมดนะก็ไปไม่ถึงไหนเพราะั้นะเวลาใครเขาทาบุญนี้ควรจะอนุโมทนาชื่นชมยินดีเพราะเขาจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะําบุญที่เกิดจากการ อ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวให้เป็นผู้น้อยทำตัวให้เป็นปัตภีมันจะทำให้เราสบายใครจะดา่าใครจะว่าเราเราจะไม่เสียใจเพราะเราถือว่าเราเป็นปัตภีเป็นแผ่นดินเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยที่สุดมันจะดา่าเรายังไงมันก็ไม่ดา่าเราต่ำกว่าที่เราเป็นอยู่เราก็จะไม่รู้สึกเสียใจแล้วบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้เห็นใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปแล้วก็บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมนี้ก็จะทำให้เราหูตาสว่างทำให้เราเกิดมีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งการที่มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญนี้หละบุญสิประการนี้แหละเป็นน้ำมันของจิตใจ ที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีแต่ความสุขที่จะบำบัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วบุญข้อสุดท้ายก็คือธรรมทานการให้ธรรมะแก่ผู้พอเราปฏิบัติทำไปเราทำบุญไปเราก็จะมีธรรมะนลพอเห็นคนอื่นเขาไม่มีธรรมะเขาเดือดร้อนเราก็สอนธรรมะให้กับเขาได้บอกให้เขาหรือว่าทำบุญแล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ พอเขาเอาไปทำต่างเขาก็จะได้บำบัดความทุกข์ในใจเขาสร้างความสุขขึ้นมาให้กับใจของเขาได้อันนี้ก็เป็นบุญข้อสุดท้ายคือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทำกันอย่างสม่าเสมอบุญที่จะต้องทำอย่างต่อเ น, นื่องทุกวันทุกเวลาก็คือทานศีลภาวนา การฟังเทศฟังธรรมส่วนบุญอย่างอื่นก็ทําไปตามโอกาสก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ไม่เสียหายไม่เป็นปัญหาแต่บุญที่ไม่ได้ทํานี่จะเสียหายก็คือการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นบุญที่เราต้องพยายามทำกันอย่างต่อเ น, นื่องอย่างสม่ําเสมอแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุข ความทุกข์ต่างๆก็จะหายหมดไปดังนั้นขอให้พวกเราจงเอาเรื่องของการทําบุญในวันพระนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติกันเพื่อการบําบัดความทุกข์เพื่อการบํารุงความสุขให้ปรากฏขึ้นมาให้อยู่กับใจของเราไปอย่างถาวรต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมห um ังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญนาราโสยาถามณิโชติ ปารโสยถาสัพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาศิริสะนิจจงุทาปจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวโนสุขัง พาล่าง <c oughs> เด็กสองคนนี้เป็นไงฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> เอาไปทำได้ไหมสแสดงว่าเก่งเก่งกองผู้ใหญน่นั่งเฉยๆได้ฟังเทศฟังธรรมได้มาเกือบทุกวันนี่ทำไปเรื่อยๆนะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อ u แ u ดสิบสองยูสองร้อยสี่สิบสามวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามผู้รับฟังบนเขาห้าสิบเก้ารวมเจ็ดร้อยเจ็ดท่านค่ะอืมเจ็ดศูนย์เจ็ดเลยนะอย่าเจ็ดสามเจ็ดนะเจ็ดสามเจ็ดนี่มันไม่คนคนไม่ชอบนะเครื่องบินไงเจ็ดสามเจ็ดตกไปสองลำนะเจ็ดศูนย์เจ็ดไม่เป็นไร ชาวอินโดจะมีคําถามเอาไมโครโฟนให้เขาหน่อยเลย You want to ask question คือเขาเขาาอธิบายว่าเขาฝึกกับพระอาจารย์ที่พม่าอยู่เขาไม่อยากให้ไลฟ์พอดแคสต์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับทางพระอาจารย์ทางนั้นเขาเลยบอกเขาตัดสินใจอยู่ค่ะก็ไม่จะถามหรือเปล่า Well when you re ready to ask let me know ค่ะคำถามจากทางบ้านค่ะคุณจินคอบมีสามคำถามนะคะปรดเมตตาอธิบายอวิชยาปัจจยาสังขาราค่ะก็ในสมมติบานปัจจยาสังขารา คาว่าวิชาก็คือความหลงความหลงก็สั่งให้คิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพอะหลงคิดว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่แท้จริงนะก็เลยสั่งให้ใจคิดปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมา พ็เกิดสุขเวทนาก็เกิดตั้หาความอยากอยากจะเสพมากๆอยากจะให้สุขนานๆก็เลยเกิดความผูกพันกับสุขเวทนาเรียกว่าอุปทานความยึดติดกับความสุขแล้วพอความสุขหมดก็มันก็จะไปสร้างภาวะมั่นใหม่เพื่อสร้างความสุขใหม่ไปเกิดใหม่เช่นเวลาร่่งกายตายไป ก็ไม่สามารถหาความสุขได้จากร่างกายอันเก่าก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อย่างที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันนี้พวกเรานี้มาจากอวิชยาอวิชชาปัจจัยสังขาราทั้งนั้นหลงอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมาไม่รู้กี่แสนล้านชาตินะแล้วก็จะหาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอ พระพุทธศาสนาที่สอนให้เราหาความสุขที่เกิดจากความสงบให้เลือกหาความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็เลือกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เราก็หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็เท่านั้นนี่คืออวิชชาปัจจยาสังขาราค่ะคําถามข้อที่สองข้อที่สองค่ะ โปรดแม่ตาอา ธ, าธิบายการทำงานของขณะจิตครับอธิบายนะจิตมันก็ทำงานทุกขณะมันคิดปุ๊บมันก็ดับปั๊บความใหม่ควาใหม่ก็คิดต่อคิดถึงเวตีวแล้วเดี๋ยวว่าคิดถึงไก่เต็มเลยคิดถึงไก่เต็มแล้วเดี๋ยวคิดถึงแฟนกินดิมแล้วก็อยากจะไปนอนกับแฟนมันก็คิดไปตามเรื่องของมันมีเรื่องให้คิดไปเรื่อยๆตามความอยากของมัน คำถามข้อที่สามโปรดเมตตาอ ธ, าธิบายรูปจิตเจตสิกนิพพานครับโอ้ยไปค้นหาเอาเองอ่ะแม่เล่นถามแบบนี้คุณไม่ปปปไปปฏิบัติเลยเอาแต่ถามอย่างเดียวไม่เกิด ป, ประโยชน์อะไรไปปฏิบัติพุโทโธดีกว่าอย่ามาเสียเวลากับถามเรื่องราวเหล่านี้เลยรู้ไปกระทันห์นะเดี๋ยวก็ลืมพูดไปแล้เดี๋ยวอีกสองวันก็กลับมาถามใหม่เดีย๋ยวนี้ไม่ถามนะไม่ตอบแล้วนะคนนี้รู้สึกมีคําถามมาทุกวันเลย คุณจินขอบอะไรเนี่ยมันละสามสี่ข้อถามไปก็เท่านั้นนะ่ะถ้าไม่เอาไปปฏิบัติเสียเวลาขี้เกียจตอบงั้นตอนนี้ขอ บ, บล็อกไว้หน่อยพอแล้วเอาไปปฏิบัติได้แล้วความรู้ที่เรียนมานี้พอแล้วเอาไปทำใจให้สงบดีกว่าแล้วใครมาถามว่าวิธีใจสงบเป็นยังไงวิธีทำใจให้สงบก็รู้อยู่แล้วฟังเทศอยู่ตลอดเวลา ฉันขอไปลองปฏิบัติดีกว่านะพอเห็นถามมาหลายวันนะค่ะคำถามจากคุณซีนเมื่อเวลานั่งสมาธิภาวนาคาว่าพุโทโธแล้วรู้สึกไม่สงบแต่ถ้าไม่ภาวนาเลยสงบกว่าจึงอยากเรียนถามว่าคำภาวนาสำคัญต่อการนั่งสมาธิหรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่คนบางคนก็สำคัญบางคนก็ไม่สาคัญถ้าคุณไม่ คุณสงบโดยไม่ต้องใช้คำภาวนาคุณก็ใช้วิธีของคุณไปแต่ละคนก็มีวิธีไม่เหมือนกันระดับจิตของแต่ละคนกำลังสติของแต่ละคนก็มีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนมีสติมากก็ไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้บางคนไม่มีสติก็ต้องใช้คำบริกรรมเหตุนั้นก็แล้วแต่วิธีไหนที่ทำให้ใจคุณสงบก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ดูผลคือความสงบก็แล้วกัน คำถามจากคุณปราโมทผมสังเกตเวลาที่เราดีใจลมหายใจเราจะยาวสม่ำเสมอแต่เมื่อใดที่เราเครียดกังวลลมหายใจจะอั้นอยู่ที่อกพอเรามีสติก็จะผ่อนลมหายใจให้ยาวสม่ำเสมอทำไมถึงเป็นอาการแบบนี้ครับผมฝึกคู่ไปกับการดูลมหายใจในเวลาปกติครับอย่าไปสนใจว่าทำไมเลยให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะให้รู้ว่ามนไม่เที่ยงให้รู้ว่าเราควบคุมบังคับแันไม่ได้ ถ้าเราอยากจะบังคับควบคุมมันเวลาบังคับมันไม่ได้ก็จะทุกข์ให้รู้แค่นี้รู้ว่ามันเป็นตายรักไม่ต้องไปรู้ว่ามันทำไมการปฏิบัติทางธรรมนี้เราไม่ค่อยสนใจเรื่องทำไมเราสนใจว่ามันเป็นตายรักหรือไม่เป็นตายรักก็พอให้ดูแค่ตรงนั้นคำถามจากคุณสุรจิตถ้าพูดถึงราคะจริต จะหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสและกายสัมผัสใช่ไหมครับก็เหมือนคนที่มีเพศตรงกันข้ามกับเราเนี่ยหรือเพศเดียวกันก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบแบบไหนอันนั้นคือราคะความอยากเสพกามนี่แหละเรียกว่าราคะการอยากจะร่วมหลับนอนในเพศสัมพันธ์เรียกว่าราคะคำถามจากคุณกัญวัรน ขณะนอนหลับชอบฝันว่าได้ทำบุญใส่บาตรถวายข้าวของเป็นประจำแสดงว่าจิตกำลังเสวยบุญอยู่ใช่หรือเปล่าคะก็ถามตัวเองเดือดร้อนหรือทุกข์นะถ้าสุขก็กำลังเสวยบุญถ้าทุกข์ก็กำลังเสวยบาปคำถามจากคุณวันนิพาการฝึกสติช่วยแก้โรคย้ำคิดย้ำทำได้หรือไม่เจ้าคะนองทาดูสิ เราไม่ใช่เป็นหมอทุกโรครักษาโรคทุกชนิดนอคุณลองเอาไปทําดูหมดแล้วเหร อ, หอของง่ายๆทำไมไม่ทดสอบดูทำไมต้องไปถามคนอื่นก่อนก็อยากจะรู้มันเป็นยงไงก็ลองทําดูสิทําดูแล้วก็ดูว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลท่านมันก็มีเท่านั้นเหมือนอาหารถ้าไม่ลองชิมมันก็ไม่รู้หรอก อยอให้คนก็บอกว่าอร่อยอยังไงมันก็ไม่รู้ว่าอร่อยอยังไงมันก็ต้องชิมดูพอชิมแล้วทีนี้ก็รู้ไม่ต้องถามว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกินได้หรือกินไม่ได้น้องปา ม, มี่อยากจะถวายของเหรอเข้ามาตอนนี้ก็ได้ช่วงนี้ว่างครับจากคำถามเดี๋ยวคำถามก็ยังเข้ามาได้อยู่นะตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีคำถามก็ให้มีคนอยากจะถวายของก็ให้ของเข้ามา คนที่ชอบถามคำ ถ, แบบถามแบบพระถามแบบพระไตรปิฎกเคลื่อนที่นี่อย่ามาถามนะถามกูเก้าดีกว่าเราไม่ใช่เป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เราไม่มากจะตอบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบั ต, ติเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัตินี่เราไม่ค่อยอยากจะตอบให้ไปหากูเก้าจะดีกว่าสะดวกกว่าง่ายกว่าได้รายละเอียดมากกว่า มางคนเตยมาค้อนคำถามมายาวเสี้ยยเลยถามไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเท่าไหร่เราก็เลยไม่อยากจะตอบถามไปแล้วก็เป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอยู่ดีรู้แล้วก็ทุกอยู่ดีกําจัดความทุกข์ไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่ฝึกสมาธิไม่ทําจิตให้รวมความรู้ต่างๆนี้เอาไปฆ่ากิเลสไม่ได้นรู้ไปก็เสียเวลา ให้รู้วิธีทําใจให้รวมทําใจให้สงบดีกว่าพอรู้แล้วทีนี้ก็เอาความรู้เหล่านี้มาฆ่ากิเลสได้คำถามจากคุณศีลเราสามารถถือศีลแปดบวชชีพราหมณ์ได้ที่บ้านไหมครับทธิบ้านทําให้เรารักษาศีลแปดได้ก็รักษาได้มันไม่มีที่ที่ใครว่าต้องเป็นวัดอย่างเดียว ที่ไหนที่ทําให้เรารักษาสิ้นแปดได้ก็รักษาได้อยากไปรักษาตามบาตามผับแถวพัทยาใต้ก็แล้วกันอาจจะรักษายากหน่อยแต่ก็ถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวก็รักษาได้ที่ไหนก็รักษาได้คนหนึ่งเขาจะกินเหล้าเราไม่กินกับเขาสัอย่างคนหนึ่งเขาจะร้องลัมทาเพลงเราไม่ร้องลัมทาเพลงกับเขาเราก็รักษาได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรอกมันอยู่ที่ใจของเราว่าใจของเรามีกําลังที่จะ นักษาศีลเหล่านี้ได้หรือเปล่าค่ะคําถามจะคุณวันนิพาโยมฝึกเมตตาจากใจได้แล้วการปฏิบัติธรรมจะเจริญขึ้นนิ่งขึ้นได้ใช่ไหมเจ้าคะโยมรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมของโยมหมดอยู่กับที่บางครั้งก็ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือสติเจ้าคะ่ะถ้ามันได้แล้วมันก็ต้องดูสิมาถามทำไม ถ้ามีเมตตาแล้วมันก็ต้องรู้ผลของการมีเมตตาว่าเป็นอย่างไรเหมือนต้องถามเลยคำถามจากคุณกุ้งการใช้สติตามรู้และนำปัญญาไปจาะเพื่อพิจารณาคืออะไรคะจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะคือปฏิบัติแบบมัว่วกงแบบแบบจับใยเอาทั้งสติเอาทั้งปัญญาเบื้องต้นนี้เหมือนกับเรียนหนังสือเอากอไก่ขอไข่ก่อน อย่าเพิ่งจะเอากอไก่แล้วก็มานั่งเขียนแต่งนิยายมันทําไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกฝึกสติให้ได้ก่อนควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ก่อนไม่ใช่ฝึกสติแล้วก็เอาความคิดมาทำคิดทางปัญญามันคิดได้ที่ไหนมันคิดไม่ได้หรอกมันไม่มีกําลังที่จะไปสั่งให้มันคิดทางปัญญาได้ฉะั้เนี่ยศึกษามากๆแล้วมันก็เลยสับสนปฏิบัติแบบจับฉ่ายเอา ผักทุกชนิดใส่มันเข้าไปในหมอ้อมันที่ก็มีวิธีขั้นตอนต้องปฏิบัติทีละอย่างหุงข้าวให้สุกก่อนอแล้วมาทอดไข่แล้วค่อยมาทําน้ําพริกน้ําจิ้มเอมันมีขั้นมีตอนไม่ใช่เอาทุกอย่างใส่ไปในหมอ้อข้าวแล้วก็ต้มมันทีเดียวพร้อมกันใช่ไหมเอาข้าวใส่เข้าไปเอาน้ําใส่เข้าไปเอาไข่ใส่เข้าไปเอาน้ําปลาน้ําพริกใส่เข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นแบบที่เราเห็นหรือเปล่า มันไม่เป็นหรอกเนสมัยเนี้ยคนเรียนรู้กันมากรู้พระไตรปิฎกรู้ศีลรู้สมาธิรู้ปัญญารู้สติรู้อะไรก็เลยเอามันทุกอย่างใส่เม้าเดียวกันเลยปฏิบัติทีเดียวพร้อมกันไปเลยแล้วเป็นยังไงไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะมันไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตอนเพราะมันอยากความใจร้อนเหมือนอยากเปิดสวิตซ์ปุ๊บอยากจะให้ไฟติดปั๊เนี่ย มันไม่ได้หรอกมันต้องฝึกเป็นขั้นไปก่อนฝึกสติให้ได้ก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ก่อนแล้วถึงจะห้อยมาสั่งให้มันคิดไปทางปัญญาได้แล้วถึงจะสั่งให้มันปล่อยวางได้มันมีหลายขั้นหลายตอนอยากจะกิน ข, ข้าวผัดข้าวราดกะเพราไข่แดงไข่ดาวก็ต้องรู้จักวิธีทาไม่ใช่เอากะเพราใส่ใเข้าไปในหม้อต้มข้าว เอาเข้าวสารใส่เข้าไปเอาน้ำใส่เข้าไปเอาไข่ใส่เข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นที่เขาขายหรือเปล่าไม่มีหรอกมันต้องทำทีละขั้นต้องหุงข้าวก่อนหุงข้าวสุกแล้วก็ทอดไข่แล้วก็ผัดกะเพราแล้วถึงราดหน้ามันถึงจะได้อาหาันที่เราต้องการอันนี้ก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานมันไม่ได้เกิดจากการเอาศีลสมาธิยัดใส่เข้าไปในหม้อทีเดียวแล้วก็ปนกันทากันรวมม่วกันไปหมด มมมมมมััััันนนนนนแตต่่ลละออออยาางงงีีเวขขข้คําถามจากคุณปัทลพงศ์<ม>การฝึกเดินจงกรมนี้จิตที่ถูกวิธีจริงๆอยู่ที่ลมหายใจหรือเท้าที่ก้าวเดินครับ เ, <อ><ม>เดินก็บอกแล้วเดินมันก็ถ้ีดเท้าสิเดินจงกรมไม่ใช่เดินดูลมหายใจเดินจงกร ม, มให้เดินดูที่เทา้าหรือเดินไปหรือพุโทโธไป ถ้าดูลมหายใจก็ตอ้องที่ตอนที่นั่งเฉยๆถึงจะดูลมหายใจได้เวลาเดินนี่เท้ามันเห็นชัดกว่าง่ายกว่าไปดูของที่มันยากกว่าทำไมลมมันดูยากจะตายไปเวลาเดินเนี่ยเห็นขนาดเวลานั่งยังดูไม่ค่อยได้แล้วเวลาเดินจะไปดูเห็นอะไรเวลาเดินจงกรมเขาก็ดูเท้ากันหรือไม่เช่นั้นเขาก็พุโทโธพุโทโธกันเวลานั่ ง, งเขาถึงจะดูลมกัน มันมั่วกันไหมมันเรียนรู้กันทุกอย่างรู้เดินจงกรมรู้นั่งสมาธิแต่ไม่รู้ว่าละธรรมจริงๆทํำยังไงคําถามจากคุณรัตนนันนั่งสมาธิเห็นเวทนาที่เกิดจากกายและจิตจิตเห็นการเกิดดับของเวทนาเรานั่งดูจนว่างหายไปหมดแต่ทุกขณะแค่รู้เท่านั้นใช่ไหมคะ อา้าวรู้แล้วมาถามทําไมก็คุณนั่งแล้วมาถามทำไมไม่ใช่หรอกมันถ้าคุณนั่งแล้วมันเห็นอย่างนั้นก็มันก็เป็นอย่างนั้นลก็มันต้องมาถามทําไมแสดงว่ายังไม่ใช่เพียงแต่อ่านมาเพียงแต่ไปได้ยินได้ฟังเข้ามาว่านั่งแบบนี้จะเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่การนั่งไม่ต้องการให้เห็นอะไรต้องการหยุดทุกอย่างต้องการหยุดความคิดต้องการทําใจให้สงบให้ว่าง ด้วยการเพ่งอยู่กับลมหายใจหรือดูลบหรืนดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไม่ได้ให้ไปนั่งดูเวทนานั่งดูจิตนั่งดูอะไรไม่ใช่นั่นก็ผิดอีกละนั่งมันต้องดูลมหายใจหรือนั่งพุทโธอย่างเดียวทำใจให้สงบทำใจให้ว่างให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาเจ้กคุณนิตยาค่ะ ไม่เข้าใจการพิจารณาอริยสัจ ส, สี่ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะอ๋อยังถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นมาเอาขั้นที่เราเข้าใจก่อนเถอะพุทโธเข้าใจไหมลองท่องพุทโธไปทั้งวันให้ได้ก่อนของง่ายๆอย่าเพิ่งไปทำของที่มันยากเมื่อของง่ายยังทำไม่ได้อย่าไปทำของที่ยากเมื่อกอไก่ขอไข่ยังไม่ได้อย่าไปเขียนแต่งนิยายเหมือนคนราเร า, เราดับกัน ขั้นตอนนี้มาหาดกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนมหาหัดผสมสลระอาสาระอาให้ได้ก่อนเราค่อยไปแต่งนิยายถ้ายัางไม่เข้าใจเรื่องอริยาาสัจสี่ก็อย่าพิ่งไปแสดงว่ามันเกินความสามารถของเราที่จะไปถึงขั้นนั้นได้คำถามจากคุณฟูการปฏิบัติ บ, ตบริกรรมอย่างเดียวแล้วบางคราวก็รู้สึกว่าบางช่วงเวลาที่เงียบสงบมากเราถนัดดูลมหายใจมากกว่า อย่างนี้ปฏิบัติสงบดีอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับได้วิธีไหนก็ทำให้ใจเนิ่งสงบไม่ให้คิดปุงแต่งก็ได้ทั้งนั้นบางทีก็ต้องเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนรถเกียร์รถยนต์เวลาอยู่ในชุมชนรถเยอะวิ่งเร็วไม่ได้ก็ใส่เกียร์ต่ำไปพอขึ้นทางด่วนก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือนถึงจะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตหยาบอาะต้องใช้พุโทโธหรือใช้บทสวดมนต์ พอจิตเริ่มละเอียดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากพุโทโธจากสวดมนต์มาดูลมหายใจต่อไปหมดแล้วเลย ด, ลดีหมดแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้แล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้ you want to ask any more question no more question โอเคก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอวันนี้ดุหน่อยนะดุนักเรียนคนมาใหม่อาจจะตกใจกลัวไม่กลับมาอีกก็ได้นะมามาแล้วมาโดนดุก็มันมีเรื่องให้ดุมันก็ต้องดุบ้าง